219ปุถุชนจึงยังคงวิปลาสที่เอาแต่จมอยู่กับฝันสรุปแล้วปุถุชนยังหลงโมหะยังไม่รู้อวิชชายังไม่หลุดพ้นไม่วิมุตจากความจริงที่ตนวิปลาสหรือฝันอยู่นอกจากคนผู้อนาคามีขึ้นไปก็จะหลุดพ้นวิมุตจากฝัน คือไม่ฝันในเรื่องโลกธรรมที่เป็นลาบยศสรรเสริญโลกีสุขอันเกี่ยวกับภายนอกกรรมภพเพราะดับโอราริกะอัตตาได้แล้วซึ่งมโนโมัยะอัตตาส่วนหนึ่งอันเป็นตัวตนอัตตาภายในมโนก็ต้องดับได้ไปแล้วส่วนหนึ่งทำมโนมยิธิสำเร็จได้ส่วนหนึ่ง ที่เป็นกามราคะสังโยชน์หรือในกามุปาทานส่วนหนึ่งก็เหลือส่วนที่เป็นรูปราคะสังโยชน์อารูปราคะสังโยชน์กับอุท ธ, ธมภาคิยาสังโยชน์อื่นๆอนาคามีจึงชื่อว่าเป็นผู้มีนิโรธคือเป็นผู้ทํำนิโรธที่สัมมาทิฏฐิได้สําเร็จส่วนหนึ่งแล้วคือ ดับโลกียารมที่เกิดในกามาพจรได้สำเร็จไม่หลงรสอร่อยอัดสาทะรสสุขรสสนุกรสเพลินไปกับสรรพสิ่งต่างๆและอื่นๆที่เป็นการรมภพภายนอกได้แล้วจึงไม่มีฝันในกามมาวจรภูมิแล้วนอนหลับก็ไม่มีตายไปก็ไม่มีแล้ว ในโลกปัจจุบันลืมตาอยู่นี้ที่สัมผัสโลกธรรมอยู่ก็ไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรมนั้นแล้วพุดทัสสะโลกธรรมเมหิกิตตังยัสสนกรรมปติกายหรือองประชุมของธรรมะาสองในกาเมพบไม่มีแล้วอนาคามีจึงมีสัญญาความกำหนดหมายไม่วิปลาสแล้วสำหรับโลกธรรมหรือกามคุณห้า และลาบยศสรรเสริญสุขภายนอกจิตได้กำจัดกิเลส ท, ที่หลงผิดไปนี้จากกิดได้สำเร็จจริงแล้วไม่วิปลาสแล้วนิโรธความดับของพุธจึงไม่ใช่หลับตาอยู่ในทวงังโดยเริ่มตั้งแต่ได้รับทิฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจที่เป็นสัมมาทิฐิจากผู้รู้ ที่สำ ม, มาทิฏฐิจริงประโตโคสะแล้วก็อบรมตนฝึกฝนปฏิบัติกระทั่งมีการทำใจในใจของตนได้จนลงไปถึงที่เกิดโยนิโสมณสิการของตนมีผลชำรักเกลเในตนได้จริงไม่วิปลาชจริงผู้มีนิโรธจึงเป็นผู้ถึงความจริงพ้นจากฝันไปได้ส่วนหนึ่ง อาณาคามีเหลืออยู่ก็แต่มโนโมยะอัตตาส่วนหนึ่งกับอรูปอัตตาที่อยู่ภายในใจตนส่วนนี้ก็ยังวิปลาสอยู่ก็ยังมีฝันในภพภูมินี้อยู่นอนหลับก็ยังมีตายไปก็ยังมีกายนี้ยังไม่หมดฝันเรื่องนี้อยู่จนถึงคนผู้อรหันต์เท่านั้นที่จะหมดสิ้นเกลี้ยง ไม่วิปลาสไม่มีฝันไปกับมโนโมยอัตาแล้วเพราะดับอัตตาได้หมดสิ้นเกลี้ยงไปจากกิจแล้วแม้แต่อรูปรอัตตาแต่ก็ยังอาศัยมโนมยอัตายังมีสัมมาอาชีพสัมมากรรมันตะ สัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะทำการงานช่วยเหลือเกื้อกูลโลกเกื้อกูลสังคมอยู่อย่างหมดตัวตนอัตตาที่ตนเห็นแก่ตัวได้แล้วชนิดที่เป็นความจริงซึ่งมีจริงได้ในโลก